ยกตัวอย่างเช่นท่านตรัสไว้ในมหาปริณิพานสูตรว่าธรรมวินัยอันมีมัคมีองแปดนี้หากภิกษุประพฤติโดยชอบแล้วโลกย่อมไม่ว่างจากพระอาหารหันต์อย่างนี้แปลว่ามัคมีองคปดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการยกระดับพวกเราจากความเป็นปุถุชนก้าวล่วงขึ้นสู่ความเป็นอริยชนหรือยอย่างไร มาถึงปัจจุบันเมื่อฉันได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีเพียงพอบวกกับความประจักษ์สภาวะแห่งจิตตนเองฉันก็ทราบชัดว่ามักมีองค์8ดก็คือสติปัฏฐานสี่และสติปัฏฐานสี่ก็คือมักมีองค์8ดนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดเน้นที่การทำความเข้าใจก่อนหรือว่าเน้นที่วิธีลงมือปฏิบัติก่อน ถ้าเน้นความเข้าใจก่อนก็เรียกมัสมีองค์ดถ้าเน้นวิธีลงมือปฏิบัติก่อนก็เรียกสติปัฏฐานสี่ถึงจุดหนึ่งเราอาจสำรวจว่าจิตเรามีองค์ทั้ง8ดของมัคครบหรือยังถ้าหากว่าครบหรือเฉียดครบก็แปลว่าจิตมีคุณสมบัติพร้อมพอจะบรรลุธรรมคือเราไม่มองเฉพาะการเจริญสติตรงทางมัคผลด้วยเกณฑ์เช่นโพชงเจ็ด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 เมื่อมองว่าองค์ทั้งแของมร ก, ก็คือส่วนประกอบที่ช่วยกันร่วมมือสร้างสภาวะจิตพร้อมบรรลุธรรมเราก็อาจมองว่าถ้าจิตใครพร้อมประพฤติเป็นอัตโนมัติตามแบบฉบับมรกมีองค์แดทั้งในแง่ของมุมมองตนเองและโลกทั้งในแง่ของปฏิกิริยาโตอตอบกับโลกผ่านการพูดจาและลงมือลงไม้รวมทั้งในแง่ของคุณภาพจิตและวิธีกาหนดสติ